จเรตยนสอนทุกท่กทา น, นจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นจังหวัดที่หลวงพ่อมาเทศบ่อยที่สุดล้วลองไปก็สุรินหรือะไรนูร้อนอาสนทางเหนือเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกมานานคนมีบุญเยอะเทว ด, ดาก็เยอะท่านว่างั้นนะพวกเราอยู่ที่นี่เห็นเทว ด, ดาบ้างไหมยังไม่เห็นไม่ได้เรื่องเลย วันนี้ทางผู้จัดให้หลวงพ่อมาเทศเรื่องวิชาเหนือโลกสงสัยอย่างเดียวมีใครอยากก้นโลกบ้างถ้าใจเรายังไม่อยากกลนโลกนะมันก้นไม่ได้หรอกวิชาเหนือโลกมันมีอยู่แล้วสภาวะที่เหนือโลกเนือสมมติเหนือสงสารเหนือสังสา ร, สราวัตรมีคือพระ น, นิพพานพระนิพพานมีอยู่จริงๆ เส้นทางไปสู่พระนิพพานที่ทําให้เรากระจัดแจ้งพระนิพพานก็มีจริงขาดกฎจริงที่จะเดินไปตามเส้นทางนี้สิ่งที่พวกท่านเจ้ากระทานมาให้เรานี่ยก็คือวิชาที่เราจะออกจากโลกที่จะอยู่เหนือโลกนั่นเองคำว่าเหนือโลกก็คือกับว่าโลกุตระมีมรรคมีผลมีนิพพานมรรคมผลให้ไปขอที่เกิดแล้วขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับ นิพพานเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสันติเป็นความสงบเป็นความสันติไม่มีสิ่งใดมาเสียดแทงได้เราอยู่ในโลกมีเครื่องเสียดแทงเยอะแยะเลยจิตใจเดี๋ยวก็ถูกบีบคั้นอย่างนู้นถูกบีบคั้นอย่างนี้เป็นไปด้วยความทุกข์ความอยากมันเสียดแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่พระพุทธเจ้าท่านก็มาสอนทางที่เร า, าจะพุทจาก กิเลสตัณหาเครื่องเสียดแทงทั้งหลายแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปสู่ความพ้นโลกพน้พนโลกได้ก็พ้นทุกข์ได้พ้นวัตตะความหมุนมนสืบต่อของกิเลสของการกระทำกรรมของวิบาก ค, คือของทุกข์ทั้งหลายหลักที่จะไปสู่ความพ้นโลกเหนือโลกนะจริงๆพูดแล้วสั้นนิดเดียว ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงเห็นโลกตามความเป็นจริงได้เราจะเบื่อหน่ายเพราะเห็นโลกตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเรเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือเราคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเนี่ยพ้นโลกก็พ้นตรงนี้เองคลายกำหนัดคลายความรักใคร่ผูกพันคลายความอยากคลายความอยากได้เพราะเห็นความจริงของโลก ถ้าเราอยากพ้นโลกจริงๆเราต้องมารู้โลกตามความเป็นจริงทําความรู้จักโลกให้แจ่มแจ้งถ้ารู้จักโลกแจ่มแจ้งก็จะเบื่อโลกถ้าเบื่อแล้วใจจะคลายความรักใคร่ยินดีผูกพันพอพอใจในโลกถ้าใจคลายใจกพ้นโลกใจก็พ้นจากโลกเข้าสู่โลกุตรลภูมิมีจริงๆโลกุตระภูมิครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสืบทอดกันมาเนี่ยนั่นก็ฝึก ฝนอมลมกันมาทุกยุคทุกสมัยนะไม่เคยขาดช่วงหรอกตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติอยู่วิชาเหนือโลกยังมีผู้สืบทอดอยู่ยังมีผู้ปฏิบัติอยู่การจะไปสู่ความพ้นทุกข์พ้นโลกพ้นสงสารพ้นวัฏฏะเนี่ยไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยแต่ถ้าเราไม่มีวิชาที่จะขึ้นไปอยู่เหนือโลกได้ยังไงเราก็ต้องจมอยู่กับโลกก็จมอยู่กับความทุกข์เรื่อยๆไ่หาทางออกไม่ได้ ทำอย่างไรเราถึงจะเห็นโลกตามความเป็นจริงเพราะเห็นโลกตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงกลายกหนัตแล้วกําหนัดคือจึงหลุดพ้นเนี่เส้นทางจะเดินในเส้นทางนี้คําว่าโลกคืออะไรคําว่าโลกมีหลายความหมายโลกอย่างที่เรารู้จักในประเทียกวโลกเหมือนกันโลกมันน้นโลกอะไรพวกนี้ดาวดวงนั้นดาวดวงนี้แต่ไม่ใช่โลกในความหมายทางพระพุทธศาสนาโลกจริงๆ ถ้าโดยสมมติบัญญัติก็เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือหมู่สัตว์หมูสัตว์ก็คือโลกอันนี้โดยสมมติบัญญัติยังมีคนมีสัต ters, ว์มีเรามีเขาอยู่แต่ถ้าโดยปรมัติธรรมสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปธรรมกับ น, นามธรรมรูปนามนั่นเองที่เรียกว่าโลกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสัตว์โดยสมมุติในความเป็นจริงที่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเนี่ย เนื้อแท้หรือปรมัต ธ, ธรรมของมันคือรูปธรรมก น, นามธรรมเท่านั้นเองถ้าเรารู้รูปนามแจ่มแจ้งนี่ก็เรียกเรารู้โลกแจ่มแจ้งเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกาวิทูรู้โลกแจ่มแจ้งท่านจะรู้โลกอื่นว่ามีดาวกี่ดวงอะไรเรื่องกล่าวเนี่ยเราไม่รู้หรอกมันเป็นยานทัศนะของท่านเกินภูมิที่เราจะรู้แต่ที่แน่นอนนะท่านรู้โลกคือรูปนามนี้แจ่มแจ้งแน่นอน ว่รู้รูปรูปนามแจ่มแจ้งนี่แหละจิทตท่านจึงหมดความยึดถือในรูปนามถ้าหมดความยึดถือในรูปนามท่านก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นลําดับไปเพราะมรรคผลนิพพานนั้นนะิพพานนั้นะเป็นสภาวะที่พ้นจากรูปธรรมและนมามธรรมทั้งหลายนะรูปธรรมนมามธรรมทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าโลกรูปธรรมนามธรรมนั้นนะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกข์ก็ได้นะเคยได้ยินไหมในบทสวดมนต์ก็มีนะบอกว่า สังคิเตนะปันจุ ป, ปารทานะขันธาทุกข่าว่าดโดยย่อนะอุ ป, ปาทานขัดทั้งห้าเป็นตัวทุกตัวขันนั่นแหละเป็นตัวทุกคําว่าขันนี่ก็คือรู ป, ปรนามนั่นแหละดังั้นคำว่าโลกก็คือรูปกนามนะหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวทุกนั่นเองถ้าเรารู้ทุกแจ่มแจ้งเราก็พ้นทุกถ้าเรารู้รูปนามแจ่มแจ้งเราก็พ้นจากรูปนามพ้นจากโลกนะพ้นจากวัตตะวัตตะถึงจะตายแล้วเกิดกี่รอบมันก็เกิดมามีรูปมีนามนี่แหละ แต่ว่าบางภพบางภูมิมันมีแต่รูปไม่มีนามก็มีอย่างอสัญญาสตาภูมิมีแต่รูปเป็นผมรูปฟักไม่มีความรู้สึกภูมิบางภูมิก็มีแต่นามธรรมไม่มีร่างกายคือพร้มพวกอรูปประพรมทั้งหลายมีสชั้นพวกอรูปประพรมนี่มีแต่จิตไม่มีกายแต่ส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยมีทั้งรูปมีทั้งนามอย่างพวกเรามีทั้งรูปทั้งนามที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะ ตัวรูปประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมมารวมกันเป็นร่างกายนี้ขึ้นมามีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดนะตัวนามาทำทั้งหลายได้แก่ตัวจิตใจของเรานะตัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ความจําได้ความหมายรู้นะความปรุงดีความปรุงชั่วความปรุงไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าตัวนามาทำนะแยกออกไปเรืยรูปธรรมแยกออกไปได้ เป็นธาตุสี่นามธรรมก็มี4เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณคือจิตนั่นเองที่เกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6นะจิตเกิดที่ตาเขาเรียกว่าจากักรคู่วิญญาณจิตจิตเกิดที่หูเรียกโสตะวิญญาณจิตเลยเรียกว่าวิญญาณขันต์เป็นกองแห่งวิญญาณกองแห่งจิตเนี่ยถ้าเราเรียนรู้รูปนามได้แจ่มแจ้งเลย เราจะคลายความยึดถือในรูปนามได้พวกเราทุกวันนี้ที่เราทุกเนี่ยสังเกตไหมความทุกขของเราเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจของตนเองเนื่องด้วยกายเช่นร่างกายแก่เป็นทุกข์ใช่ไหมร่างกายเจ็บเป็นทุกข์ร่างกายตายเป็นทุกข์จิตใจของเราแหละจิตใจของเราพลาดพลาดกับคนที่รักร่างกายเราพลาดพลากหรือจิตใจพลาดพลากร่างกายเราไม่ได้รวมอยู่กับคนอื่นแต่ว่าเราพอใจเรามีความสุขที่ได้อยู่ใกล้คนนี้พอไม่ได้อยู่ใกล้เนี่ย มันพลาดพราดเนี่ยพลาดพลากด้วยความรู้สึกของเราบางทีอยู่ไว้คนละประเทศนะแต่ใจมันตึงกันก็ไม่รู้สึกพลัดพลากเห็นหน้ากันอยู่ใกล้ๆนะบางทีก็รู้สึกพลัดพลาดเหมือนคนไม่รู้จักก็ได้ตัวที่พลัดพลาดจริงเน่ใจของเราร่างกายพลัดพลากไปแต่ไม่แปลกอย่างบางคนพ่อแม่ตายนะพ่อแม่ตายร่างกายพลัดพลาดไปแล้วแต่ถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่กับพ่อแม่เราก็รู้สึกพ่อแม่อยู่กับเราทั้งวัดเลยนะ ไม่ได้พลาดพลากไปไหนเรื่องถ้าร่างกายเราแก่นะร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายความทุกข์มันอยู่ในกายจิตใจมารู้สึกพลัดพลากจ า, ากสิ่งที่รักจิตใจได้พบสิ่งที่ไม่รักจิตใจอยากและไม่สมอยากดังั้นความทุกข์เนี่ยจะเนื่องด้วยตายความทุกข์จะเนื่องด้วยใจเสมอแล้วลึกลงไปความทุกข์มาอยู่ในกายในใจได้อย่างไงเพราะมันรักกายมันรักใจมันหวงแหน อย่างมันมีความรู้สึกลึกซึ้งอย่างพวกเราทุกคนมีความรู้สึกลึกซึ้งว่าร่างกายนี้คือตัวเราของเราเพราะร่างกายแก่มันก็คือเราแก่ร่างกายเจ็บมันก็คือเราเจ็บร่างกายตายมันก็คือเราตายหรือเรายึดถือในจิตใจนะจิตใจต้องได้รับอารมณ์ที่ดีถึงจะมีความสุขแ้าจิตใจได้อารมณ์ไม่ดีก็มีความทุกข์การพลัดพลากจากสิ่งที่รักเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีการเจอสิ่งที่ไม่รัก เป็นอารมณ์ไม่ดีความอยากและไม่สมอยากเป็นอารมณ์ไม่ดีก็เป็นความทุกข์ทางจิตใจเนี้ยถ้าเรามาเรียนรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจให้แจ่มแจ้งถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งนะจะรู้ความจริงกายนี้ไม่ใช่ของน่ารักจิตใจก็ไม่ใช่ของน่ารักกายไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษจิตใจไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้เป็นอะไรร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์ จิตใจเป็นอะไรจิตใจก็เป็นตัวทุกตรงนี้แหละที่ทําให้เราคนโลกไม่ได้เพราะเราไม่เห็นความจริงเหล่านี้ที่ว่าเห็นความจริงนะเพราะรู้ตามความเ็นจริงเพเห็นตามความเป็นจริงจียงเบื่อหน่ายเห็นความเป็นจริงก็คือเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนทุกใจนี้เป็นตัวทุกเราไม่เห็นเราเห็นได้แค่ว่าร่างกายนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างจิตใจนี้เป็นทุกบ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมว่าเห็นแบบนี้ รู้สึกไหมในกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เห็นน้ําว่าเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเมื่อไหร่ทุกข์น้อยคนทั่วไปก็คิดว่ามีความสุขเมื่อไหร่ทุกข์มากขึ้นคนทุกทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่ดังั้นในความเป็นจริงแล้วร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขเนี่ยคนทั่วไปเขาไม่เห็นนะ พระพุทธเจ้าท่านเห็นท่านเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้โรครู้รูปนามคือรู้โลกแจ่มแจ้งถ้ารู้ว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยจิตจะไม่ยึดถือกายถ้ารู้ว่าจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจิตก็จะไม่ยึดถือจิตเพราะฉะนั้นที่จะปล่อยวางได้นะก็จะต้องมีปัญญาแก่รอบนะเห็นความจริงคือเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตก็เป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราไม่เห็น กายของเราก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจของเราก็เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมในใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใครรู้สึกแบบนี้ไหมยกมือหน่อยสิโอรู้สึกทุกคนเลยนะแสดงว่ารู้สึกถูกนะรู้สึกถูกนี่เริ่มเห็นโลกตามความเป็นจริงแบบชาวโลกนะถูกเหมือนกันนะถูกแบบชาวโลกแต่ยังไม่ถูกแนวพระพุทธเจ้า ถ้าตกตามแนวพระพุทธเจ้านะร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ว่าตอนที่ทุกข์น้อยเนี่ยคนที่รู้ไม่ทันก็คิดว่ามีความสุขถ้าแจ่มแจ้งขึ้นมาเมื่อไหร่นะว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้รูปนามแจ่มแจ้งเนี่ยจิตจะสลัดคืนรูปนามให้โลกเลยนี่ทำอย่างไรเราจะเห็น กายเห็นใจเป็นทุกข์ได้เห็นความจริงของกายของใจได้ความจริงนั้นกายกับใจเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่เราไม่เห็นเราเห็นผิดเรามีมิจฉาทิฏฐิเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเรามีความรู้ผิดมีความเข้าใจผิดว่ากายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเราต้องมาดูความจริงของเขาไม่ใช่แค่น้อมใจเชื่อว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าน้อมใจเชื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ ต้องเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่น้อมใจเชื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำนัดก็ราะคลายกำนัตจึงหลุดพ้นเพราหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเพราะฉะนั้นต้องเห็นตามความเป็นจริงคําว่าเห็นตามความเป็นจริงวิธีที่จะเห็นนีมันตรงกับคําว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนามาจากคว่าวิคําว่าปัตสนาปัตสนาคือการเห็น วินั so kind of mm ่นแต่ว่าแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงไม่ต้องน้อมใจเชื่อว่ากายนี้เป็นทุกรนล้วนไม่ต้องน้อมใจเชื่อว่าจิตเป็นทุกรนล้วนถ้าน้อมใจเชื่อไม่เรียกว่าเห็นจริงคําว่าเห็นนั้นไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจทำมาจากสุไม่เหมือนมังสาจากสุมังสาจากสุคือตาเนื้ออย่างพวกเราเนี้ยเห็นด้วยตาจริงๆ แต่ธรรมะนั้นเห็นด้วยตาข้างในคือตาใจของเราเห็นด้วยใจนั่นเองทำยังไงเราจะเห็นกายเห็นใจได้นี่เป็นวิธีที่ต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่สามารถเห็นได้เราจะเห็นกายตามความเป็นจริงได้เนี่ยเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดเราจะเห็นจิตใจตามความเป็นจริงได้เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดให้ได้ความคิดนั่นแหละปิดบังความจริง ปราบใจที่เราอย่างคิดอยู่นะเราจะเห็นของจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู okay. ้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวได้แล้วรู้สึกลงในกายมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าเราหลุดออกจากโลกของความคิดได้แล้วมาเห็นจิตเราจะรู้ว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษทําไงจิตจะหลุดออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดู จิตหลุดออกจากโลกของความคิดได้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากเลยเมื่อ30ปีก่อนที่หลวงพ่อภาวนานะออกจะเวณหาครูบาอาจารย์ปี25เนี่ยเริ่มออกหาครูบาอาจารย์ที่จริงภาวนามาแต่ปี02 2,502 หลายคนในห้องนี้ยังไม่เกิดส่วนใหญ่ยังไม่เกิดเมื่อปีศ2แต่ว่าไปหัดทำสมะำถะกรรมฐานหัดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยจิตสงบอยู่กับลมหายใจ แล้วเจริญปัญญาไม่เป็นไม่สามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้มีแต่ความสงบจิตเพราะฉะนั้นการทำจิตให้สงบเนี่ยไม่ทำให้เกิดปัญญานะการทำจิตให้สงบเนี่ยทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นกับที่กระเปล่าแต่พอไม่ได้เจริญปัญญานีมันก็เอาความสดชื่นหลงโลกไปเพราะคนที่เข้าสมาธินะออกจากสมาธินะจะโมโหแรงกว่าคนที่ไม่ได้เข้าสมาธิซะอีกนะมันจะรุนแรง เนี่ยตอนเด็กๆหลวงพ่อภาวนาผิดมันก็ไม่ผิดนะมันถูกมันถูกแบบสมถะกรรมฐานไม่ได้ขึ้นมีปัสนาไม่ได้มาเห็นความจริงของกายของใจของรูปของนามจนมาปี25นะปี2525 25ันี่าวันที่6กุ่พาไปกราบหลวงปูดุลกลางแรกท่านสอนให้ดูจิตตนเองท่านไม่อธิบายมากไปกราบท่านบอกหลวงปูผมอยากปฏิบัติไปตอนเช้าท่านเพิ่งฉันข้าวเสร็จ ไปรอท่านท่านฉันข้าวอยู่ฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็เดินออกมาหน้ากุติเขาไปกราบหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่พูดสักคํานะหลวงปู่นั่งก็อีโยกแล้วหลับตาไปเกือบชั่วโมงเนะนี่ยเราเนื่องหลวงปู่หลับไปแนละ้วที่แท้หลวงปู่ไม่ได้หลับนะหลวงปู่สอบประวัติเราอยู่เมื่อเราภาวนา ม, มาแบบไหนเหมาะกักรรมฐานอย่างไหนอะไรเนี่ยพอท่านนึ่งตาขึ้นมาเกือบชั่วโมงนึ่งตาขึ้นมาท่านก็สอนนะการปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองก็คือการที่เราคอยรู้คอยดูคอยเห็นจิตตามความเป็นจริงนั่นเองเมาานนื่อเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือนะั้นหนังสือมีบทรักเราก็รู้เรื่องว่าตอนนี้หนังสือมีบทรักหนังสือมีบทกโกรธตอนนี้เราก็รู้ว่าหนังสือมีบทโกรธหนังสือถึงบทหิชาถึงบทสุขบททุกขเราก็ตามดูหนังสืออย่างที่เขาเป็นเราตามดูอย่างที่มันเป็น นี่หลวงพ่อเคยหัดสมาธิมาก่อนตอนท่าจะหัดตัวจิตโดยใจทีแรกเนี่ยสังเกตว่าจิตมันอยู่ที่ไหนคิดว่าจิตต้องอยู่ในร่างกายดูลงไปในร่างกายทีละส่วนผมกลุ่เล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกจากหัวถึงเท้าจากเท้าถึงหัวหาจิตไม่เจอรู้ว่าจิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายคิดว่าจิตอยู่กับความรู้สึกสุขทุกข์หรือเปล่าไปดูที่ความสุขความสุขดับไปก็ไม่เห็นจิตความทุกข์ดับไปก็ไม่เห็นจิต ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตหรอกนะค่อยหันดูไปอีกหรือจิตเป็นความคิดกอคิดบทสวดมนต์ภูตโธสุสุธโธก ร, รุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันนกคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาใจเป็นเห็นความคิดผุดขึ้นมาคิดอะไรก็คิดบทสวดมนต์นั่นเองทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดจับจาหลักเลยนะตัวนี้เป็นหลักสําคัญนะ ก่อนที่เราจะเห็นใจเห็ <tick> le, ในใจตามความเป็นจริงได้เราต้องหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้ทําอย่างไรเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวได้เคล็ดลับอยู่ที่ว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดเนี่ยกลับข้างกันจิตของเราเป็นจิตคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับคิดตั้งแต่เกิดจนตายเราไม่มีจิตรู้ งั้นเราต้องพัฒนาจิตรู้ขึ้นมาด้วยการรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วการจะฝึกให้รู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วเนะี่ยมีวิธีการช่วยมันหา ก, กรรมฐานสักอย่างหนึ่งเพรางั้นเบื้องต้นต้องทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะถึงจะดีถ้าไม่ทําเลยนะทำยากนะถ้าสมาธิไม่พอจิตไม่มีเรี่ยวมีแรงพอนะที่ว่าไปดูจิตดูจิตดูไม่ถึงจิตจริงแต่ไปเพ่งจิตให้นิ่งไม่สามารถเห็นจิตตามความเป็นจริงได้เราต้องหลุดออกมาเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิด วิธีจะเป็นผู้รู้ก็คือรู้ทันว่าจิตหนี้ไปคิดเมื่อไร่รู้ทันว่าจิตนี้ไปคิ ด, รร จ, คดจิตรู้จะเกิดขึ้นนั่นเรามาหัดกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะพุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้ดูท้องผองยุบก็ได้ทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้หรือเราคิดวิธีของเราเองก็ได้นั่งเคาะเนี่ยไม่ต้องขยับอย่างหลวงพ่อเทียนมากนั่งเคาะไปแต่ไม่ใช่เคาะเรื่อยเปื่อยเคาะแล้วใจหนีไปนะแค่เคาะไปเนี่ยหรือขยับแค่นี้ก็ได้ หลวงพ่อเมื่อก่อนมีพัดยวนนะนั่งพัดไปนั่งพัดแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูพะจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแวบนะคอยรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดแล้วเมื่อไร่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตรู้จะเกิดลองทดลองดูนะหัดพุทโธพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดตัวรู้จะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นชัวน่วขณะ หรือหัดดูท้องพองยุบไปแล้วจิตหนีไิคิดจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตเคลื่อนไปรู้ทันว่าจิตไหลไปจิตเคลื่อนไปรู้ว่าจิตหนีวิคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่ว่าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องสําหรับการทําวิปัสสนากรรมฐานตัวนี้เป็นตัวแตกหักตัวชี้ขาดเลยทําไมคนที่เข้าวัดภาวนาเนี่ยมีตั้งหลายแสนคน นะนั่งสมาธิเป็นแสนแสนคนเต็มไปหมดเลยทําไมไม่บรรลุมรรคผลนิพพานนะเพราะว่าไม่มีตัวรู้มีแต่ความสงบจิตเนี่ยนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวไปอยู่กับลมหายใจจนลมหายใจหายกลายเป็นแสงสว่างไปอยู่กับแสงสว่างนะนเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งขึ้นมานะนั่นแหละจิตมันได้สงบอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ไม่ใช่ตัวผู้รู้วิธีที่จะฝึกให้ได้ตัวผู้รู้เนี่ยไม่ได้น้อมจิตให้สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์ แต่ให้อยู่อารมณ์ันหนึ่งนะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันดูท้องพองยุบไปพองยุบพองยุบนะจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ใช่ดูให้จิตสงบแต่ดูเพื่อให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิด ตรงนี้แตกต่างกันระหว่างสมาธิที่ฝึกให้สงบคือสมาธากรรมฐานแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานเพื่อจะเอาไว้ทํำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิสองชนิดนี้แตกต่างกันต่างกันมากๆเลยสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนี่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นพุโทโธก็มีแต่พุโทโธอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นเลยจิตสงบอยู่กับพุโทโธจิตอยู่สงบอยู่ที่ท้องจิตสงบอยู่ที่เท้าจิตสงบอยู่ที่มือ นิ่งอยู่อย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องของสมถะอมานได้แต่ความสงบไม่เกิดปัญญาแต่ว่ามีผลดีคือจิตใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงนะสมาธิชนิดหนึ่งทำพุทโธไปหายใจไปพองยุกไปแต่ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งอยู่กับอารมณ์คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันไปฝึกตัวนี้ให้ชนานาญนะ พอเราชํานาญเนี่ยต่อไปจิตมันขยับตัวคลิกเดียวหนีวิคิดคลิกเดียวท่าเองจิตจะกลายเป็นผู้รู้ดีดผางขึ้นมาเลยเมื่อเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะจิตจะมีความสุขอยู่ในตัวเองเพราะมันมีสมาธินั่นเองหัดกับโลกว่าใหม่ๆนะฝึกสักช่วงหนึ่งอะ่ะจะพบเลยว่ามีความสุขมากเลยตรงที่มีความสุขมากนะเพราะว่าจิตมันได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่น จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตเท่ามีความสุขมันเบิกบานขึ้นมาอยู่ดีๆนะก็ความสุขก็ผวดชอยขึ้นมานะเดี๋ยวก็ชอยขึ้นมาเดี๋ยวก็ชอยขึ้นมาตรงนี้จิตตั้งมั่นแล้วขัดจักรนั้นต้องเจริญปัญญาละเราจิตที่ตั้งมั่นแล้วนี้แหละมารู้โลกตามความเป็นจริงรู้รูปนามตามความเป็นจริงถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เราจะมาดูกายดูใจดูรูปดูนามตามความเป็นจริงไม่ได้นะดันั้นตัวสําคัญเลยนะต้องมาฝึกให้ได้ตัวรู้ขึ้นมา พอได้ตัวรู้แล้วมาดูกายมาดูใจทำ ง, งานมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามใจเราเป็นคนดูคนไหนถนัดดูกายเอากายเป็นหลักไว้เป็นวิหารธรรมเป็นฐานคนไหนถนัดดูจิตก็เอาจิตใจเป็นฐานอะไรก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามควรจะดูกายคนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นมีความคิดความเห็นอยู่เนืองเนืองชอบสะเลาะ ก, กับคนอื่นด้วยความคิดความเห็นอะไรพวกนี้ พวนี้ควรจะดูจิตใช้กรรมฐานคือการดูจิตการทํากรรมฐานนั้นอย่าเรียนแบบกันทางใครทางมันแล้วแต่จริตนิสัยไม่ใช่ทุกคนต้องทํากรรมฐานชนิดเดียวกันนะงั้นถ้าเราจะเห็นโลกตามความเป็นจริงเนี่ยเริ่มต้นบางคนต้องดูกายเป็นฐานแต่ดูกายก็จะเห็นจิตบางคนเอาจิตเป็นฐานแต่ดูจิตก็จะเห็นกายไม่ใช่มีแต่จิตไม่ได้มีแต่กายดูกายดูยังไงดูกายเนี่ย ดูด้วยความรู้สึกไม่ได้ดูด้วยตานดูด้วยความรู้สึกเช่นเรารู้สึกถึงร่างกายที่หายใจออ ก, ร, ร, ก ng, นอนรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจเข้ารู้สึกถึงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนรู้สึกถึงร่างกายที่พองรู้สึกถึงร่างกายที่ยุบใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะมีความรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยแยกออกจากกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งเขาแยกออกจากกันเขาไม่ใช่สิ่งเดียวกัน การที่แยกกายกับใจออกจากกันได้เนี่ยเป็นการเริ่มเจริญปัญญาขั้นต้นเลยยังไม่ถึงวิปัสสนานะวิปัสสนาเป็นการเห็นไตรลักษณ์เป็นปัญญาถึงขั้นที่เห็นไตรลักษณ์แต่ว่าเบื้องต้นของการเจริญปัญญานั้นแค่แยกรูปนามได้เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งรูปกับนามนั้นโคนละอันกันนะรูปประธรรมก็คือร่างกายเราที่แหละนามาทำเป็นตัวรู้สึกนึกคิดอยู่ภายในเราจะเห็นว่าร่างกายมันนั่งหยุหายใจอยู่ จิตใจของเราเป็นคนไปรู้มันจิตใจเป็นคนไปดูมันคำว่าดูไม่ได้ดูด้วยตานะดูด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกเราหลับตาทุกคนหลับตาซิรู้สึกไหมร่างกายกําลังนั่งอยู่รู้สึกไหมต้องดูด้วยตาไหมไม่จําเป็นนะสังเกตแต่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้าเย็นลมหายใจออกร้อนรู้สึกไหมอา้าวสังเกตลมหายใจ ลมหายใจเข้ามันเย็นลมหายใจออกมันร้อนสังเกตไหมว่าลมหายใจก็แปรปรวนไม่เที่ยงธาตุไฟไม่เที่ยงธาตุไฟเนี่ยเรารู้ด้วยร่างกายนะเพราะฉะนั้นเวลาลมมันมากระทบจมูกกระทบจมอยปากเนี่ยลมเย็นมากระทบเรารู้ด้วยร่างกายลมร้อนไหลออกไปเราก็รู้ด้วยร่างกายธาตุไฟรู้ด้วยร่างกายนะ ส่วนรูปยืนเดินนั่งนอนรูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งรูปหายใจออกหายใจเข้ารูปที่เคลื่อนไหวทั้งหลายเนี้ยรู้ด้วยใจนะเพราะฉะนั้นการรู้รูปเนี้ยบางอย่างรู้ด้วยร่างกายนะบางอย่างรู้ด้วยจิตใจนะบางอย่างรู้ด้วยตาบางอย่างรู้ด้วยหูบางอย่างรู้ด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายอย่างรู้ลมหายใจที่มันเย็นมันร้อนนี่ธาตุไฟนีรู้ได้ร่างกายนะบางอย่างรูปบางอย่างรู้ด้วยใจเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนรู้ด้วยใจ การรู้รูปสังเกตให้ดีถึงเราจะไปรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเห็นลมเข้าเย็นล ม, ลมออกร้อนแต่สังเกตไหมว่าใจเราเป็นคนดูอยูนะ่อย่าให้จิตของเราไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจนะถ้าเวลารู้ลมเรียนลมร้อนที่จมูกแล้วจิตเราไหลไปอยู่ที่จมูกแล้ก็เป็นสมถกรรมฐานจิตกับอารมณ์ไปรวมเป็นอันเดียวกันต้องแยกออกจากกันให้ได้เห็นร่างกายมันเย็นเห็นร่างกายมันร้อน เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้ดูอยู่ต่างหากร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนจิตเป็นคนดูค่อยๆฝึกให้มีจิตเป็นคนดูถ้ามีอะไรมีจิตเป็นคนดูเราจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราลมหายใจก็เป็นแค่ธาตุที่ไหลเวียนธาตุทั้งหลายก็ม่เที่ยง ธนะาตุไฟก็ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าเย็นเนี่ยเพราะมีธาตุไฟน้อยลมหายใจออกร้อนเพราะมีธาตุไฟมากแต่งเกตไปแต่จิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งแปรปรวนแสดงไตรลักษณนะ์อย่างธาตุไฟเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่แสดงไตรลักษณ์ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็แสดงไตรลักษณ์จิตใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนี่แหละเรียกว่าหัดรู้กายนะ เวลารู้กายเรารู้ลงปัจจุบันขณะคือขณะนี้รู้ในขณะนี้ได้ทันทีในขณะนี้ร่างกายหายใจอยู่ใครรู้สึกบ้างว่าร่างกายหายใจอยู่สังเกตไหมถ้าเราใจลอยร่างกายเราก็ยังหายใจอยู่แต่เราไม่รู้ว่าร่างกายกําลังหายใจนะเพราะงั้นถ้าใจลอยก็คือไม่มีจิต ท, ที่เป็นผู้รู้นั่นเองใจลอยก็เป็นผู้คิดผู้ esté, ผนึกผู้ปรุงผู้แต่ะแต่ถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้เห็นร <flo> ่างกายหายใจจะรู want, mind, know, ้สึกทันทีเลย ร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นเลยนะว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คิดเอานี่การเห็นกายเนี่ยเห็นลงปัจจุบันขณะการดูจิตดูใจเนี่ยดูตามหลังแต่ตามฟิติดูเนี่ยไม่ได้ดูด้วยตาแต่รู้ด้วยใจความรู้สึกทั้งหลายเนี่รู้ด้วยใจ ถ้ารูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยตาคือสีต่างๆนี่รู้ด้วยตารูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยหูคือเสียงเนี่อรู้ด้วยหูรูปธรรมบางอย่างรู้ด้วยจมูกก็คือกลิ่นทั้งหลายเรารู้ด้วยจมูกรูปธรรมบางอย่างเช่นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอันนี้รู้ด้วยร่างกายรูปธรรมส่วนใหญ่ที่เหลือเนี่ยนะจะรู้ด้วยใจเช่นรูปรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิ่งเนอันนี้รู้ด้วยใจ แล้วค่อยๆดูปัจจัยแต่จิตของเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูนะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจะเห็นรูปนี้ไม่ใช่ตัวเราดูรูปดูลงปัจจุบันขณะเลยถ้าดูจิตดูอีกแบบหนึ่งไม่ได้ดูด้วยตาเหมือนกันขนาดรูปยังไม่ได้ดูด้วยตาทั้งหมดเลยรูปที่เรารู้ด้วยตาเนี่ยมีอย่างเดียวเท่านั้นคือสีนะมีแค่สีเท่านั้นเองรูปที่เหลือเนี่ยไม่ได้รู้ด้วยตาดูจิตดูใจเราจะดูเป็นปัจจุบันสันตติหมายถึงสืบเนื่องกับปัจจุบัน เช่นจิตเป็นโกรธขึ้นมาในขณะที่กําลังโกรธอยู่เนี่ยเราจะรู้ตัวว่าโกรธไม่ได้เพราะในขณะที่จิตกําลังโกรธเนี่ยจิตเป็นอกุศลสติไม่มีสมาธิที่ชนิดตั้งมั่นเนี่ยไม่มีนะเพราะฉะั้นจิตมันจะรู้ตัวรู้ว่ากําลังโกรธเนี่ยไม่ได้มันต้องโกรธไปก่อนพอโกรธไปก่อนนะแล้วก็เกิดสติระลึกลงขึ้นมาจิตรู้สึกตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเห็นเลยว่าความโกรธเนี่ยจิตตะกี้นี้โกรธ ความโกรธเป็นส <the 105 sack surface> ิ่งที่แปลปลอมเข้ามาตรงที่รู้ทันว่าโกรธขนาดนี้จิตไม่ได้โกรธแล้วเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้จะไม่โกรธนะจิตที่รู้จะไม่โลภจิตที่รู้จะไม่หลงแต่เมื่อไหร่จิตไม่เป็นผู้รู้ก็เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะความโลภความโกรธความหลงมันจะไปอาศัยเกิดตรงนั้นแหละงั้นเราคอยรู้สึกตัวแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องรู้สึก24ชั่วโมงเอาแค่ว่ามันโกรธขึ้นมาแล้วรู้ให้ไวหน่อยมันโลภขึ้นมาแล้วรู้ให้ไวหน่อย ถ้าเมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ดูมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ห่างกันเกินไปต้องแบบหางมันยังไม่สุดหางมันนะเห็นหางไหวๆอยู่ความโกรธมันโกรธนะนะสมมติโกรธมาห้านาทีแล้วแล้วเกิดเฉลียวใจเห็นขึ้นมาว่าโมืมันโกรธเนี่ยความโกรธจะดับวับไปเลยเห็นหางมันไหวๆนิดเดียวเองนี่เรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันไม่ลงเป็นปัจจุบันขณะนะดูรูปนี้เป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลย ถ้าดูความรู้สึกทางใจเนี่ยจะดูความรู้สึกทางใจที่เพิ่งดับไปสดสร้อนๆ้อเพราะจิตนั้นธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์แต่อย่างเดียวถ้าจิตไปรู้เรื่องราวที่โกรธไปรู้อารมณ์ที่โกรธอยู่เนี่ยในขณะนั้นจะมารู้ว่าจิตโกรธไม่ได้เพราะมันไปรู้สิ่งที่โกรธอยู่ดะงั้นเราค่อยๆสังเกตไปการดูกายกับการดูจิตมันมีความต่างกันนิดหน่อยดูกายเนี่ยดูปัจจุบันขณะดูเดี๋ยวนี้จริงๆเลยถ้าดูจิตดูใจนะดูจิตที่เพิ่งดับไปสดสร้อนร จิตโลภขึ้นมาก็รู้ว่าเมื่อกี้มันโลภไปตอนนี้รู้จิตโกรธขึ้นมานะก็รู้ว่าเมื่อกี้มันโกรธตอนนี้รู้จิตหลงไปก็รู้ว่าเมื่อกี้มันหลงตอนนี้รู้จิตหดหู่จิตเศร้าหมองจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าเมื่อกี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้เป็นผู้รู้ค่อยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเราจะเห็นว่าแล้วจิตนี้เกิดดับจิตโกรธอยู่ช่วคราวแต่ตอนนี้เป็นจิตไม่โกรธจิตโลภอยู่ช่วคราวตอนนี้เป็นจิตไม่โลภ จิตหลงอยู่ชั่วคราวตอนนี้ไม่หลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่ตอนนี้ไม่ฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่หดหู่การที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเราเจริญปัญญาเราเห็นความจริงเราเห็นความจริงของกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความจริงของจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพอเห็นซ้ําแล้วซ้ํำอีกเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะเริ่มรู้สึก ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าปุสนะปุสนทั้งหลายนะเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตดีจิตเลวจิตไปทางตาจิตไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็ไม่ใช่ตัวเรามันทำงานได้เองอย่างจิตจะไปทางตาหรือจิตจะไปทางหูหรือจิตจะไปทางใจเราเลือกไม่ได้เราทดสอบตัวนี้ดู ทุกคนมองหน้าหลวงพ่อแล้วตั้งใจฟังธรรมะสังเกตไหมว่าขณะที่มองหน้าหลวงพ่อเนี่ยกับขณะที่ตั้งใจฟังเนี่ยคนละขณะกันขณะที่ฟังเนี่ยไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับกันไปเรื่อยๆดูออกไหมว่าฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวเนี่ยสังเกตไหมจิตจะดูจิตจะฟังหรือจิตจะคิดเราเลือกไม่ได้จิตมันทํางานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอก จิตจะดูจิตจะฟังหรือจิตจะคิดมันไม่ใช่ตัวเราเราเลือกไม่ได้จิตจะสุขจิตจะทุกข์เราเลือกไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเร า, เราเรนะจิตจะ เ, เ, ต เ, จถถเป็นกุศลหรือจอิตจะโลภจะโกรธจะหลงเราเลือกไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ตัวเรานะหัดดูลงไปเรื่อยเราจะเห็นเลยมีแต่ของมเมตเพี้ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะในจิตใจเนี่ยนี่แหละเรียกว่าเราเห็นความจริง เมื่อเราเห็นความจริงของกายว่าไม่ใช่เราเห็นความจริงของเวทนาของสัญญาของสังขารของจิตใจที่เกิดดับทางทวารทา 6, นะั้งหกว่าไม่ใช่ตัวเราเกิดดับไปด้วยจิตมันจะเริ่มเบื่อหน่ายแต่ก่อนจะเบื่อนะบางทีมันเกิดเซงเกิดเศร้าเกิดกลัวขึ้นซะก่อนหลายคนภ า, าวนาพระจิตเป็นผู้รู้เกิดสติระลึกรู้ร่างกายนะตกใจเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราแขนเป็นท่อนๆ น, นี้อะไรก็ไม่รู้ บางคนร้องไห้เลยนะเสียดายร่างกายที่หายไปแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราซะแล้วตัวเราหายไปเนี่ยหัดภาวนาทีแรกมันจะพบว่าพอตัวเราหายไปเนี่ยทนไม่ได้เพราะมันรักตัวเองที่สุดเลยเรารักตัวเองมากพอตัวเราหายไปแล้วเรารู้สึกทุลนทุลายหารู้ไม่ว่าควรจะดีใจเพราะตัวเรานั่นแหละตัวทุกตัวทุกหายไปไม่ควรเสียใจแต่ตอนนี้ปัญญาไม่พอ ต, นะตัวทุกข์หายไปนะก็เสียหกเสียใจว่าตัวเราหายไปนะค่อยๆดูค่อยๆรู้สึกนะถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายจิตใจทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราก็ เ, าเห็นอย่างนี้แนละ้วแรกๆบางคนกลัวบางคนก็รู้สึกเวิง้วงวังวังเวงชีวิตนี้ไม่มีจุดหมายปลายทางแนละ้วตัวเราไม่มีไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําอะไรกนะ็ถ้าเกิดอาการอย่างนี้ให้รู้ถึนความรู้สึก จิตใจเกิดเบือ่อเกิดเซงเกิดกลัวขึ้นมานะรู้ทันเลยมันเบื่อก็รู้เลยมันเซงก็รู้มันกลัวก็รู้เขรู้แล้วความเบือ่อความเซงความกลัวทั้งหลายก็เป็นของถูกรู้อีกก็เกิดแล้วก็ดับไปอีกจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นม า, มาเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ไม่กลัวแล้วทีนี้นะไม่เบื่อแล้วไม่เซงแล้วนะมันจะค่อยๆผ่านตัวนี้ไปงั้นถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะจะเบื่อบางคนไม่เบื่ออย่างเดียวกลัวด้วยคนเซงด้วยเบื่อ เพรเบื่อนะ่ยมันจะหมดความยินดียินร้ายมันจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ของดีจริงจิตใจไม่ใช่ของดีจริงมันจะเริ่มคลายความยึดถือเพราะฉะนั้นะต้องให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ด้วยการที่มีจิตเป็นคนดูมีสติระลึกรู้ในองค์ในกายนะมีจิตเป็นคนดูก็จะรู้ว่ากายไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติระลึกรู้ลงในจิตใจ ก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ตัวเราอีกเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเบื่อให้รู้ทันเบื่ออีกนะความเบื่อดับไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาดูกายอย่างที่มันเป็นด้วยจิตใจที่เป็นกลางดูจิตใจอย่างที่มันเป็นด้วยจิตใจที่เป็นกลางความสุขเกิดขึ้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้หลงในความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้เกลียดทุกข์กุศลเกิดขึ้นก็รู้อย่างเป็นกลาง ไม่ได้หลงชอบกุศลอาคุศลโรคหล่นลงเกิดขึ้นก็ไม่ได้ไปพยายามกับมันไม่ได้เกลียดมันเป็นกลางกับมันเนี่ยเราค่อยๆรู้ฝึกค่อยๆรู้ไปเรื่อยนะจนในที่สุดจิตมันก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางตรงที่จิตมันเป็นกลางมันเป็นกลางทีแรกเนี่ยเป็นกลางเพราะมีสติไปรู้ทันนะมีเป็นกลางเพราะมีสมาธิคือใจตั้งมั่นเมื่อดูซ้ําแล้วซ้ําอีกต่อไปเนี่ยมันจะเกิดปัญญา มันจะเห็นว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวกุศ ล, ลก็ของชั่วคราวโลภโกรดหลงก็ของชั่วคราวจิตที่วิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวร่างกายกินอาหารร่างกายขับถ่ายทุกอย่างมีแต่ของชั่วคราวหมดเลยพอเห็นอย่างนี้นะทุกอย่าง่ะเท่าเทียมกัน เช่นเมื่อเราเห็นว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเนี่ยพอความสุขเกิดขึ้นนะจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินดีความทุกข์เกิดขึ้นมีปัญญารู้ว่ามันของชั่วคราวจิตก็เป็นกลางไม่หลงยินร้ายกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตก็เป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายร่างกายจะแก่จะเฒ่าจะเจ็บจะตายนะจิตก็เป็นกลางไม่ยินดียินร้ายตรงที่จิตหมดความยินดียินร้ายนี่แหละเป็นประตูแห่งการบรรลุมรรคผลนะนัะ้นเราภาวนาไปจนกระทั่งจิตมีปัญญา แล้วก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เป็นกลางต่อดีและชั่วเป็นกลางต่อสิ่งที่หยาบและสิ่งที่ละเอียดเป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางโดยที่ไม่ได้บังคับให้เป็นกลางแต่เป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างบังคับไม่ได้ทุกอย่างไม่ใช่ของดีของวิเศษดังนั้นการที่เห็นไตรลักษณ์ซ้ําแล้วซ้ำอีกตรงในกายในใจนี่แหละเป็นเส้นทางที่จะออกจากโลก โรค ก, ก็คือกายกับใจคือรูปกนามนี้เองนะตรงที่ใจเข้าสู่ความเป็นกลางจิตจะหมดความปรุงแต่งอาศัยที่เราเคยฝึกสติจน ช, ชำนิชำนาญอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายก็รู้โดยไม่ได้เจตนาจะรู้อะไรแปลกปลอมขึ้นในจิตก็รู้โดยไม่เจตนาจะรู้นี่สติอัตโนมัติมันเกิดสมาธิก็ฝึกจนทั่งมนอัตโนมัติจิตเคลื่อนไปจิตหนี้ไปคิดแวบรู้สึกจิตนี้ไปคิดแวบรู้สึกนี่สมาธิอัตโนมัติมันเกิด ปัญญาอัตโนมัติก็คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้เลยว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับนะเห็นแต่ทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปนี่คือปัญญาไม่ได้คิดเอานะแต่รู้สึกเอาถ้าเมื่อไหร่สติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเมื่อจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธิแล้วนะมันจะเกิดกระบวนการของอริยมรรคขึ้น เวลาที่เกิดอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่นั่งอยู่เฉยๆจิตอยู่ในโลกจิตยังเวียนอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าจิตยังอยู่ในกามาวจรภูมิเนี่ยจะไม่เกิดอริยมรรคอริยมรรคจะเกิดในฌานเท่านั้นพวกเราถึงเข้าฌานไม่เป็นไม่ต้องกลัวจเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายใจไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไปเนี่ยถึงจุดที่เขาพอเนี่ยจิตจะรวมเองทําไมจิตรวมเข้าฌานได้โดยไม่ได้เจตนา ถ้าจิตมันไม่หลงยินดียินร้ายในโลกแล้วมันเห็นเลยสุขทุกข์กที่เราหลงโลกเนี่ยเพราะว่าเราหลงในความสุขความทุกข์กทั้งหลายนั่นแหละก็ถ้าความสุขความทุกข์กมันเท่าเทียมจิตไม่หลงนะจิตไม่ไหลตามไปไม่แสวงหาอารมณ์เพลิด เ, เ, เพลินเพื่อจะไปหาความสุขเพื่อจะไปนหนีความทุกข์จิตหยุดความปรุงแต่งลงนะจิตจะเข้าสมาธิเองเมืน่อะจิตเข้าสมาธิแล้วจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นภายในจิตเราสองขณะบ้างสามขณะ บ้างนะแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าพวกปัญญาแก่กล้าเนี่ยจะเห็นสองครั้งไหวว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะไม่มีคําแปลในขณะนั้นสติระลึกรู้อยู่ที่จิตอะไรแปลปลอมขึ้นในจิตนี่รู้เองในขณะนั้นสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตในขณะนั้นปัญญาอย่างลงที่จิตเห็นทุกอย่างที่เกิด ข, ขึ้นที่จิตนั้นดับทั้งสิ้นเลยเนี่ยสติสมาธิปัญญานะั้นมันซ้อนลงไปที่จิตในจุดเดียวกันในขณะจิตเดียวกันนั้นเลย เนี่ยจะเห็นไหวขึ้นมาสองขณะบ้างสามขณะบ้างหลจากนั้นจิตจะวางการรู้อารมณ์ที่ไหวๆนะจิตจะวางแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้เมื่อจิตทวนเข้าถึงธาตุรู้แล้วเนี่ยในระหว่างที่มันปล่อยอารมณ์เนี่ยมันก็พ้นจากความเป็นปุถุชนในขณะที่มันทวนเข้าหาธาตุรู้มันยังไม่ถึงธาตุรู้มันก็ยังไม่ใช่พระอริยะบุญผลยังไม่ได้เข้าสู่โลกุตระภูมนะิไม่เป็นโลกิยะไม่เป็นโลคุตระคับลูกคับเดอะอยู่ช่วงขณะเดียวเท่านั้น นะชั่วขณะเท่านั้นเองก็ เ, เรียกว่าโคตรภูเป็นข้ามโคตรจากปุถุชนมาเป็นพระอริยะกําลังข้ามเหมือนมีท้องล่องอยู่ท้องล่องนี้เรากระโดดข้ามท้องล่องนะขาเราพ้นจากฝั่งนี้แล้วแต่อีกขาหนึ่งยังไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งนะเนี่ยยานข้ามโคตรข้ามตรงเองพอข้ามปั๊บเนี่นะมันเข้ามาถึงธาตุรู้ถึงธาตุรู้ตัวจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรู้ที่เราเคยมีแล้วนะะเป็นอีกสภาวะหนึ่งแล้ว สิ่งซึ่งห่อหุ้มจิตยอยู่จะแหบบออกนะมันจะแแกออกนะแล้วจิตจะเป็นอิสระขึ้นมาอาสวะกิเลสจะแแบบออกไปชั่วคราวจิตใจจะเป็นอิสระขึ้นมาสองขนาดบ้างสามขนาดบ้างนะตอนที่แแกนะแแบหนึ่งขนาดเท่านั้นเองเนื้อนะแต่ละคนเนี่ยสัมผัสพระนิพพานไม่เท่ากันหรอกพระโสดาด้วยกันอะไรสององค์องค์หนึ่งสัมผัสพระนิพพานสองขนาองค์หนึ่งสัมผัสพระนิพพานสามขนาดนิดเดียวนะทั้งสองทั้งสามนี่นิดเดียว แต่คุณภาพของจิตไม่เหมือนกันถ้าแก่กล้ามากนะอินทรีย์แก่กล้ามากเนะียเห็นมันท่านที่ผ่านสามขนาดเลยถ้าอินทรีย์ไม่แก่กล้าเห็นสองขนาดพวกอีกหลายชาตินะอีกเจดชาตินะพวกที่เห็นเยอะเนี่ยแจ้งเร็วนะเหลือไม่กี่ชาติหรอกนี่วิธีวิชาเหนือโลกนะหลังจากนั้นเนี่ยจิตจะถอยออกจากโลกุตรภูมินะกลับมาเป็นคนธรรมดาอย่างนี้แหละอสวกิเลหะห้ อ, หอมจิตใหม่ ข้อผูใหม่จิงจะวนกลับเข้าไปดูเลยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นในขณะที่เกิดนั้นไม่มีความคิดนะไม่มีความคิดนะมีแต่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรมีแต่สุญญตาความว่างเปล่านะไม่มีอะไรเลยมีแต่ว่ามีไม่มีไม่มีรูปไม่มีนามแต่มีมีธรรมอยู่มีพระนิพพานอยู่ เน่ยจิตมันจะทวนเข้าไปพิจารณาแล้วมันรู้นะกิเลสยังมีกนะกิเลสยังมีอีก็าภาวนาอีกก็เดินอย่างเดิมที่ที่สอนมาตั้งแต่แรกนี่แหละทําอย่างเดิมนะจิตจะค่อยเกิดอริยมรรคครั้งที่สองครั้งที่สานะครั้งที่สามออกมาไม่ใช่เคยคลุมมิด ก, กิเลสอาสวะก็ยังไหลเข้ามาย้อมจิตได้อีกแล้วครั้งที่4เ่นี่แหละที่ขาดสะบั้นไปเคยถามหลวงปู่หลวงพูดูล น, นะหลวงปู่ครับมันต้องเกิดจีดีหลวงปู่ก็นั่งนับ สาทีสนะหลวปู่บอกสีทีกทเกิดสี่ครั้งะจะแหวกเนี้ยสี่ครั้งขาดเลยไม่เป็นอีกแล้วไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วจิตจะเป็นอิสระเป็นอิสระแล้วมันดียังไงไม่มีอะไรเสียดแทงอีกต่อไปล ะ, ะภาวะแห่งความพ้นโลกมีอยู่จริงๆพระนิพพานมีอยู่จริงๆจิตที่เข้าไปถึงพระนิพพานมีอยู่จริงๆจิตที่สัมผัสจิตที่ทรงพระนิพพานมีอยู่จริงๆ อยู่ที่พวกเราจะภาวนาหรือเปล่าจิตของเราทรงกิเลสทรงกามนะทรงกิเลสตัณหาทั้งหลายไม่ได้ทรงพระนิพพานนะเพราะฉะั้นจิตของเรานี่แหละทรงโลกไม่ทรงเหนือโลกหรอกค่อยหัดนะค่อยหัดไปสรุปสรุปล ะ, ต, ปละตือศีลห้าข้อสองฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันใจก็จะตื่นขึ้นมาข้อสาม ดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานกายมันก็แยกออกไปความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วมันก็แยกออกไปจิตมันเป็นคนดูอยู่ทัางหากมันจะเห็นเลยทุกอย่างไม่มีตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเราดีชั่วไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตที่ไปรู้ก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดพอดูไปช่วงหนึ่งนะมันจะเกิดความเบือ่อบางคนก ล, กลัวกลัวก่อนเบือ่อ กลัวก็ให้รู้ว่ากลัวไปบางคนรู้สึกเบื้องว่างวางเวงไม่มีที่พึ่งที่อาศัยให้รู้ทันลงไปอีกจิตมันจะเท่าไปสู่ความเป็นกลางนะมันเบื่อขึ้นมาก็รู้ทันจะเท่าไปสู่ความเป็นกลางเมื่จิตเป็นกลางนะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เป็นกลางต่อดีและชั่วนะไม่ใช่ความเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่อยอย่างหนึ่งแล้วจะเอาอย่างหนึ่งนะความเบื่อที่อย่างพวกเราเป็นเนี่ยเราเบื่อภรรยาเราอยากมีภรรยาใหม่เราเบื่อภรอยรยาเก่าไม่เรียกว่านิพิธานะ บางคนบอกช่วงนี้เกิดนิพพทาอยากมีเมียใหม่แล้วบอกไปเกิดนิพพทาอันนั้นไม่ใช่นะมันต้องเบื่อเท่าๆกันเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วเท่าๆกันแต่ไม่ใช่เบื่อซื่อบื้อนะเบื่อสังกตายซื่อบื้อน้อมจิตให้นิ่งๆว่างๆเคลื่มๆอยู่แล้วบอกว่าทุกอย่างเท่ากันอันนั้นปลุกแต่งขึ้นมาไม่ใช่ของจริงนะจิตใจต้องเป็นตัวของตัวเองนะรู้เนื้อรู้ตัวให้เต็มที่โดยกายทางานโดยใช้ทํางานจนปัญญามันแจ้ง ปัญยามแจ้งจิตพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพระเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดใครายกำหนัดก็คือคลายความรักใคร่ผูกพันยึดถือร่างกายนี้จะไปยึดมันทำไมไม่ใช่ของดีเป็นตัวทุกข์จิตใจจะไปยึดเป็นทำไมมีแต่ตัวทุกข์มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยพอรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพราเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพครคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นไม่มีใครสั่งจิตให้หลุดพ้นได้นะจิตหลุดพ้นเองเมื่อรู้ความจริงของกายของใจแจ่มแจ้งของรูปนามธาตุขันแจ่มแจ้งนะ แล้วเรามาหัดรู้ความจริงของรูปนามนี่แรียกว่าเจริญปัญญานะมีศีล ร, รักษาศีลหมีสมาธิคือฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดนะูเจริญปัญญาคือดูรูปดูนามดูกายดูใจมันทำงานไปเห็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าเบื่อให้รู้ทันนะเข้าไปสู่ความเป็นกลางสุดท้ายจิตจะหยุดความปรุงแต่งชั่วขณะก็ได้อ่ะเท่านี้แหละพิชาเหนือโลกนะเท่านี้ก็ทํากันหลาย10ปีแล้ว คาว่าดูคาว่าเห็นนะไม่ได้ดูได้ตานะไม่ได้ดูได้ตาเรารู้ได้ใจค่ะขอกราบขอพระคุณนะคะหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้โปรดเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเจ้าค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะช่วงเวลาถัดไปเราได้เตรียมผู้ที่โชคดีนะคะจำนวนส2บสองท่านนะคะได้มีโอกาสส่งกันบ้านกับหลวงพ่อเจ้าค่ะก<ค>า <ำ S 2> <อ>จัดสันเนาะ กำจัดสันได้ได้ศพกันบ้านอ้าว่ามาขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะ ก, การรักาหลวงพ่อต้องการอืมสืขึ้นไปปฏิบัติออยังไงชื่อนะ<า>นอยังเอว่าสํานั ก, ก, กนั้นอาจารย์นี้ถ้าพูดชื่อมาแล้วลราพ่อพูดตอไม่ได้จะเสียมารยาทก็ <c oughs> ปฏิบัติมาได้ส อ, อนนะคะแล้วก็ตอนช่วงที่ปฏิบัติอยู่ก็เออเป็น รู้แล้วก็ดูอยู่ตลอดนะค่ะไม่นอนเลยเหรออ๋อนอนค่ะก็ไม่ตลอดเนาะในฝันพอรู้ว่าฝันก็ก็รู้ก็ดูดูดูกายดูฝันด้วยค่ะเออวาิดีเนแล้วันเป็นแค่ความคิดจริงนใช่ฝันนี้ก็คือคิดแล้วก็แล้วก็มันก็จะมีวันที่จิตมนเห็นคามที่เกิดดับเกิดดับแล้วก็เห็น เหมือนจมันก็ไปเห็นว่าเป็นอนัตตาแล้วมันก็เห็นเป็นอย่างไรว่าเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆแล้วค่ะแลเลยไม่แน่ใจว่าที่พี่วันเห็นมันหลอกตัวเองเปล่าไม่หลอกทางหน้ามันก็เห็นจริงๆแต่นุเห็นจิตเกิดดับไหมเห็นเกิดดับละค่ะเห็นต้องไปรู้เอาอีกนะไปดูบ่อยๆแล้วพอเราออกมาใช้ชีวิตทางโลกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหลองพ่อแล้วมันเห็นไม่ได้มันเห็นมันจะต้องเห็น คือมันไม่เห็นเกิดแลเราก็แค่เห็นว่าเดียวว่ามีความคิดเกิดแล้วก็จิตมันก็ขาดไฟก็ก็ก็เห็นเราก็ไม่ต่อเนื่องต่อมาแล้วเราก็ดูมันไปเรื่อยๆเลละมีความคิดเกิดอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ห้ามความคิดนะจิตต้องคิดยิ่งเราอยู่กันโลกเราทํางานต่างๆเนี่ยเราต้องคิดเอาแต่พอคิดแล้วเกิดสุขให้รู้ทันคิดแล้วเกิดทุกข์ให้รู้ทันคิดแล้วเกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันว่าะคนเป็นตัดตรงคิด ถ้าตัดคิดแล้ววันวันนั่งเฉยไม่คิดนะพระอราหันต์ไม่ได้เป็นแบบนั้นน ะ, นะพระอราหันต์ก็คิดได้พระพุทธเจ้าก็คิดนะให้เป็นคิดได้ไม่ห้ามแต่ว่าถ้าถ้าพอความคิดผุดเ ร, เราไปจ้องไหมความคิดขาดวับวับวับนะเราจะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกุศล อ, อกุศลอะไรเฉยเยอยู่นั้นนะจิตจะไปติดนิ่งติดเฉย หลวปดูลสอนบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดไม่อาศัยคิดในขณะที่คิดจะไม่รู้แต่พอคิดไปแล้วเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกรู้ทันเกิดกุศลอกุศลรู้ทันตรงที่รู้ทันนี้ไม่ได้คิดอ๋ออาศัยตัวความคิดที่ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ไปรู้ทันใช่รู้ทันว่าโดยที่ไม่ต้องรู้ตั้แต้นตของความเอออย่าไปตัดความคิดนะ ถ้าไปตัดความคิดเนี่ยไปแทรกแสงกระบวนการทํางานของจิตเพราะฉะนั้นให้เป็นคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่พออาศัยคิดให้เขาคิดแต่พอเขาคิดไปแล้วเกิดราคะขึ้นมารู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นขณะที่รู้ว่ามีราคะในความคิดดับไปละขณะที่รู้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ราคะเกิดขึ้นมาเพราะคิดขณะที่โทสะเกิดเนี่ยขณะนั้นเราไม่ได้รู้เห็นไหม ปพอตัวศาสเกิดแล้วเรารู้ว่ามีโทวศาสนะตัวที่รู้เนี่ยไม่ได้คิดแต่ถ้าไม่คิด่็ไม่มีราคะไม่คิดก็ไม่มีโทวศาสราคะก็มาจากกรรมวิตกโทวศาสก็มาจากพยาบาทวิตตุกอาศัยการตรื่นการคิดนั่นเองไม่ห้ามนะไม่งั้นต่อไปพระอราหันต์จะต้องเป็นประเภทนี้ ยังนะยังใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ก่อ น, นให้รู้ทันจิตที่ไหลแปอย่าไปห้ามความคิดถ้าไปล็อกความคิดอยู่จะไม่เกิดตัวรู้จะเกิดการเท่งขึ้นแทนจะ น, นิ่งนิ่งคือรู้ให้ตอนกทั้งวนัน่อ น, นใช่ไมเ้ค่ไม่ใช่ใชเหลือบ้างเหลือแล้วมีกิลเลสแล้วรู้ว่ามีกิลเลสนะอ๋อเจ้าค่ะเราต้องคอยดูกิลเลสนะ กิเลสอะไรเกิดก็รู้ทันแต่ถ้าเราไปจ้องไว้เงี้ยไม่มีกิเลสให้ดูแล้วมีแต่นิ่งๆมันติดนิ่งครูบาอาจารย์ย้ำหน้าว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะก็ออใช้ชีวิตปกติหรือเ่ะรู้อย่างนี้ใช้ชีวิตแบบมีศีลทำนะราค <laughs> าค่ะขอบพระคุณราคานรัส ก, การหลวงพ่อหลวงปจากชียงรายนะคะเ อ, อ่อ เมื่อเจ็ดเดือนกล่องเมลกากไปส่งการบ้านที่ส่งสัญญาณหลวงพ่อพาดูสภาวะที่จิตมันไปสว่างอยู่ข้างนอกค่ะเราก็ดูมาเรื่อยนะคะเจ็ดเดือนแล้วก็หนูคิดว่าหนูดูหนงเห็นว่ามันเข้าฐานมากขึ้นคะหลวงพ่อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมักจะมีสภาวะที่ความสุขมันลดลงความอร็ณอร่อยทางอารมณ์มันลดลงมันลดลงแบบหนูก็ลองพิสูจน์ดูเลยเนี้ยค่ะไปเอาพักษา จะไปไปกินอาหารไปดูทีวีหรือว่าไปอ่านหนังสืออะไรเนี้ยค่ะมันไม่มีอะเด็กอร่อยเหมือนเดิมนะแล้วก็จิตมันมักจะมีสภาวะที่สมมุติว่าเราใช้ชีวิตอยู่ปกติธรรมดาเนี้ยค่ะแปบ๊แปบแมันมันเหมือนว่างไปแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊แปบไม่รู้อะไรแบบคือจะว่าไม่รู้อะไรก็ไม่ไม่อธิบายไม่ถูกเอ น, อนี่ยค่ะหลวงพ่อมันก็ถือละตัวนั้มันจะแทรกเป็นช่วงช่วช่งไปนะใช่ค่ะ จิตจิตมันตัดอารมณ์ทีหนึ่งลงระวังนะขึ้นมาใหม่มันจะแบ้งแบงไปเราจะเพราะว่าจิตดวงหนึ่งกับจิตดวงหนึ่งเนี้ยขาดออกจากกันนะมีช่องว่างมาขั้นแล้วจิตที่ไปดูกายหนูพ่อบอกว่าให้ใช้วิหรารธรรมปฏิการให้เยอะขึ้นหนูกดูกายตลอดออบางทีหนูมไม่รู้สึกกายขนาดว่าหนูจะใช้วิธีเคาะๆให้มันแรงขึ้นรู้สึกว่า กายมันเบาๆมืนเราไม่มีร่างกายคือเราหัดดูกายนะสุดท้ายมันจะมารู้จิต<ฆ>รู้สึกแปล่าว่าขณะนี้จิตไม่ได้ไปเกาะแสงสว่างอยู่ข้างนอ ก, กนั่นแหละเราแก้ตกแล้วแล้วรู้สึกมความความทุกข์มันเยอะขึ้นรู้สึกมากนะะโลกแม่อร่อยอร่อยละเพราะเราเริ่มเห็นตามความเป็นจริงยิ่งเบื่อหน่ายนะ<ฆ>มันจะคลายออกจากโลกแล้วนี่แหละทางคนโลกนะ แต่ถ้าใจเราไม่ตั้งมั่นใช่ไหมใจปิจ่าอยู่ข้างนอกเนะี่ยไม่มีตัวผู้รู้อ่ะเพรายังไงก็ไม่เกิดปัญญาต้องต้องแก้ตัวนั้นก่อนเนี่ยนี่พอแก้ได้แล้วนะะใจตั้งมั่นขึ้นมานะจะเห็นเลยความจริงนะความจริงของกายเนี่ยว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนรู้สึกไหมรู้สึกค่ ะ, อะของหนูไปดูนะทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ต้องคิดเอาหรอกมันจะเห็นเองจะเห็นอนัตตานะตอนนี้รู้สึกว่ามันมันเห็นเองในในนั่นแหละมันจะเห็นเองนะ แต่อยู่ๆมันไม่เห็นหรอกเพราะว่าแต่ว่าเพราะาจิตเราเป็นผู้รู้นะครับแล้วขันมันแยกออกไปมันทำงานไปเรื่อยมันรู้ตามตามรู้ไปเรื่อยสุดท้ายไม่เห็นกายนี่ว่างเปล่าจากความเป็นตัว ต, วตวนความสุขความทุกข์ก็เป็นของว่างเปล่ากุศลนะกุศลก็เป็นของว่างเปล่าจิตใจที่หมุนเบียนอยู่แต่ละวันก็ว่างเปล่าเห็นนั้นมันเกิดสลดสังเวชด้วยน ะ, ะแต่ที่มันจะอ ร, อ, อร่อยเหมือนเดิมรู้เลยว่าคนที่หลงโลกเนี่ยมันอร่อยเหมือนแมลงวันสาวบุญจระ หลวงพ่อคะจากทางเดินที่จะต้องเดินจากนี้ไปมันจะมีหลุมอะไรที่โน้เยอะแยะเลยนะคอยรู้เรานะค่อยๆสังเกตเอาอย่าเชื่อหลวงพ่อนีอยู่ไกลครูบาอาจารย์ก่อนเนี้ยครูบาอาจารย์อยู่สุรินอยู่อุดรนหนองคายอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่มาเรียนแถวหลวงปู่ศิลป์อะไรใกล้นะไม่ได้มาได้ทุกวันอะาศัยความสังเกตเอาการภาวนาเนี่ย การสังเกตอย่างแยกภายเรียกว่าโยนิโสมานัสิการช่วยเราได้เยอะเลยอย่าไเชื่อมันค่ะการหลวงพ่อค่ะคือด้วยการซีธรรมของหลวงพ่อนะคะแล้วสงสัยว่าใจจิตถึงฐานนี่คืออะไรเหรอให้รู้ว่าสงสัยตราบใดที่หนูยังสงสัยอยู่จิตจะไม่ถึงฐานหรอกรู้จักจิตที่เคลื่อนไปไหม คือคือกามุ่งจิตตัวเองจนคือทําเองนะคะแล้วเวลาไปเห็นในเวลาจิตจิตโมโหเนี่ยมันวิ่งไปหาคนที่เราโกรธคือเห็นค่ะเห็นจนถึงขนาดละในปัจจุบันปัจจุบันเนี้ยค่ะคือพอมันเริ่มโมโหมันก็รู้เลยอืมแต่รู้แล้วไม่ไปล็อกมันให้นิ่งนะค่ะก็ปล่อยมันไปแต่ว่าคือพอรู้ตู้มันถึงมันเบาตรงที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปขนาดที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะขนาดนั้นจิตจะตั้งมั่น จิตเราเคลื่อนทั้งวันเลยรู้สึกไหมว่าความตั้งมั่นก็เกิดเป็นขณะขณะไม่ได้ตั้งทั้งวันแต่มันเคลื่อนทั้งวันแต่เมื่อไร่ที่รู้ว่าจิตเคลื่อนเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องประคองไว้ถ้าประคองไว้ไม่ใช่ของจริงคือจิตตั้งมั่นนี่หมายว่าเมื่อเกิดเมื่อเกิดมีความเห็นแปลงจิตเรารู้ความเปลนแปลงจิตเราไม่ใช่ไม่ใช่จิตตั้งมั่นเนี่ยคือจิตมันไหลไปจิตไม่ไหล่ จิตมันตรงข้ามกับจิตที่ไหลไหจิตขณะนี้ไหลไปคิดรู้สึกไหมตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นแต่ตั้งชัว่วขณะนะมันตั้งด้วยกําลังของสมาธิที่เรียกว่าปานิกะสมาธิเป็นสมาธิช่วขณะแว บ, บเดียวเดี๋ยวก็ไหลใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่ไหลใหม่รู้ใหม่นะในทีสุดไหลถียิบก็คือรู้ถียบเพราะรู้ถี่ยิบมันเหมือนรู้อยู่ทั้งวันเลยมีกี่คนนะ สิบสองเนจะ้าค่ะครับขันธมัสกาผมจะสังเกตเห็นตัวในภาคหลังด้วว่าในระรวันเนี่ยบางทีเรา ง, งานแล้วเรากระทบอะไรมาเียคัมันก็จะกลับมาปกศูนบ้านบ้านอย่างเงี้ยนะจะสังเกตมันมาปรุงที่หลังด้มันมาปรุงที่หลังนะหรือว่าปรุงในขณะนั้นเออมันมันจะกลับมาปรุงนะเนาะน่ะาสายสัญญามันจำเรื่องราวได้นะ แลมาคิดซ้ำมันก็ปรุงซ้ําการคิดซ้ําการปรุงซ้ำเนี่ยถ้าเป็นอกุศลไม่ให้ทําถ้าเป็นกุศลให้ทําบ่อยๆเพราะฉะั้นอย่างเราทําความดีเราสมมตเรารักษาศีลนะเราก็คิดถึงการรักษาศีลื่อยๆดีทุกครั้งที่คิดเนี่ยก็เหมือนทําใหม่แนละ้วถ้าเป็นอกุศลไม่เอานะักไม่ซ้ําแต่ถ้าเป็นกุศลซ้ําได้แต่ไม่ใช่มิปัสนา ให้นหมายความว่าเราควนที่จะอย่างเวลาที่มันปูปมูมีโทสะมีอะไรยังไงเราควรที่จะรู้มันไปเฉยๆหรือว่าควรจะละ้างมันอยังไงไม่ล้งรู้อย่างที่มันเป็นเมื่อจิตมีโทสะขึ้นมารู้ทันว่าจิตมีโทสะจิตเกิดไม่ชอบโทสะรู้ว่าจิตไม่ชอบนี่ไม่เป็นกลางแล้วให้รู้ทันจิตไหมเขาก็รู้หมายคว่ารู้แล้วมันไม่ใช่ไม่ยควา ต้องการไปใช่มครัต้องเลยนะยังรู้ว่ามันปรุงมันมีโทรศัพอย่างเงี้ยครับก็มันปรุงอย่าเงี้ยมีความคิดเกิดขึ้นอย่าเงี้ยเป็นอย่างไรว่าเรารู้แล้วควาความปรงมันจะต้องการไปหรือเปล่าใช่มครัมันดับอัตโนมัตินะถ้าปรุงปรศสนนแต่ถ้าปรุงปรุสน่จําเป็นก็เหมือนมันรู้แล้วมันก็ยังปงอยางเงี้ยเหมอมันรู้แล้วมันก็ยังปรงต่อปรุงต่อให้รู้ทันเลยว่าจิตปรุงรู้ลงปัจจุบันไป อย่างมันปรุงความโกรธขึ้นมาไปโกรธคนนี้ต่อมามันเปลี่ยนเขารู้ทันว่าโกรธนะมันปรุงอีกแล้วเกลียดความโกรธของตัวเองเี่ยก็รู้ทันความปรุงที่เป็นปัจจุบันสดๆร้อนๆเนี่ยที่ผมสงสัยคือว่าเรารู้แล้วเนี่ยมันจำเป็นไหมครับที่มันจ ะ, น ะ, จะต้องตัดไอ้ความโกรธความปรุงเนี่ยดับทันทีนะถ้ารู้ถูกถ้าสติตัวแท้จริงเกิดเนี่ยอกุศลอยู่ไม่ได้ จะเกิดพร้อมกันไม่ได้เลยนี่ทําไมบางทีโกรธอยู่เรารู้ว่าโกรธแล้วไม่หายขนานั้นสติจริงๆยังไม่เกิดออกแค่รู้ว่าโกรธขึ้นมาแล้วเราก็ไปโกรธต่อคือโกรธความโกรธไปเกลียดความโกรธนั่นแหละอยากให้หายเรามีความโกรธซอสความโกรธเขาอีกดังนั้นไม่ใช่มีสติให้รู้ทันเท่านั้นแหละว่าใจไม่เป็นกลางใจเป็นกลางนะมันก็ไม่ไปปรุงต่อแล้วก็ตับทันทีเลย ก็คือหนะ้าที่เราหน้ที่เรารู้ว่าว่ามันโกรธมันโกรธอย่างนี้นะก็คือก็คือได้ดูมันเป็นตรงตรรู้ไป็นตรงตรงรูยอย่างที่มันเป็นนะเห็นมันโกรธเหมือนเห็นคนอื่นโกรธดูซิเองจะโกรธได้านานแค่ไหนเหมือนดูคนอื่นเลยนะอย่าดูว่าเป็นตัวเราโกรธนะบางทีมันดูแล้วมันโรกรธมันแบบเออบางทีมันเป็นเป็นอยู่หลายวันอ่างนี้ครับอือดังนั้นไม่ใช่แล้วสติไม่เกิดนะต่อไป รารื่รคุมคุูบาอาจารย์ค่ะไม่ต้องแตกร้อนนะว่าไง ค, ค่ะตอนแรกก็เตรียมสภาวะมาจะส่งกันบ้านหลวงพ่อนะคะแล้ว ม, มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเปลี่ยนไปแล้ว ป, ปวระโยน์มันทิ้งไปแล้วสภาวะที่เกิดขึ้นตะกี้ค่ะมันคืออะไรนคะคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเราต้องการแค่นั้นเองไม่ได้ต้องการอะไรเยอะหรอก นะถ้าเรารู้ลงปัจจุบันไปอะไรเกิดแล้วมันก็ไปอะไรเกิดแล้วก็ไปต้องการแค่นี้เองไม่ต้องการฉลาดรอบรู้อะไรเยอะๆยค่ะแล้วคำถามที่เรียน ม, มาจากบ้านนะคะอขอถามก่อนเล่ยนะคะคือตัวรู้เนี่ยบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเรารู้ตลอดรู้ว่ากายจะทำอะไรจริตคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสร็จแล้วพอเราปล่อยมันแล้วพอเรารู้สึกว่าเราหลง <ừ> แล้วเราไปรู้ว่าเราหลงเนี่ยพอเรารู้แวะแล้วมันก็จะเกิดอนาตตาแวะแล้วมันก็มีความสุข น, นะนะคะ <ừ> แต่ก่อนช่วงครั้งที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตมันติดนิ่งเราให้รู้เราเผลอเผลอแล้ว ร, รู้อย่างเงี้ยนะคะตอนนั้นหนูคิดว่าหนูเห็นฝ่าย แต่ปรากฏว่ามันเป็นฝั่งแม่น้ำปิงนะคะใช่แล้วพินิจกิเลสมันก็เกิดขึ้นมากมายจากแต่เดิมมันไม่เคยเกิดกิเลสมันไม่ค่อยเกิดแต่หลังจากนั้นกิเลสมันเกิดขึ้นมากมายนั่นแหละเพราะเราไม่ได้เกาะ น, นิ่งๆอยนะู่ถ้าเราไปติดนิ่งติดเฉยนะประคองจิตนิ่งๆกิเลสไม่โปลุขึ้นมาให้ดูหร<ช>อกถ้าเราเรากล้าหาญนะปล่อยออกมาเราจะเห็นเลยกิเลสเยอะแยะเลยแต่ว่ากิเลสทุกชนิดเกิดเราดับ แต่ตอนที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นนิวร์อย่างร้ายแรงมากเลยนะเราต้องถือศีลไว้เท่านั้นแหละกิเลสเกิดได้นะแต่ไม่ทำผิดศีลแค่นั้นเองแล้วเราก็ดูไปกิเลสทุกชนิดเกิดได้ก็ดับได้กิเลสเป็นครูของเรานะกิเลสสอนกรรมฐานเราเท่าเกับกุศลนั่นแหละค่ะแล้วก็แสดงว่าไอ้ตัวตัวรู้ที่เรารู้ตลอดเนี่ยตัวนี้มันเป็นตัวเพ่งใช่คะใช่ใช่ แต่ตัวรู้เนี่ยมันจะเป็นสุติตัวรู้ตัวจริงนั่นแหละค่ะต้องมีตัวรู้ตัวจริงแล้วก็ดีแล้วะแล้วเอสภาวะเมืกี้นี้ที่หลวงพ่อพาดูเนี่ยก็รู้แล้วก็ทิ้งมันไปแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าที่เราติดอยู่ตลอดเนี่ยมันเหมือนติดเงื่ออะไรสักอย่างของประเทศเมื่กี้เนี่ย ว่ามันจิตมันเคารู้ของเขาเองแล้วมันก็เด้งเด้งเดเดแล้วมันก็ว่างแล้วก็อย่างที่สุดอย่าให้จิตอย่าให้จิตมัเคลิ้มตามไปนะต้องรูเนื้อรู้ตัวอยู่อยให้มันเพลินเอ้อย่อยิ้กตามแตไะรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมาเออนะไม่ค่อยมีคำถามจะสงสัยหลวงพ่ออย่างนี้ค่ะสงสัยอะไรหลวงพ่อ ก็คือหนูหนูหนูจะถามอีกว่ามันสภาวะที่หนูเจอมาตลอดนะคะคือเปรดชอบตามนะคะแล้วทีนี้ผีเนี่ยมันไม่ได้กลัวเหรียญ น, นะคะไม่ได้กลัวพระพุทธรูปนะคะไม่กลัวพระพุทธรูปบางองค์ผีก็เข้าไปอยู่ใช่ค่ะ อ, อะละ้วควคนับกลัวผีนล้วอพระมาห้อยในพระมีผีอีกแล้ว พลังพวกนั้นนะ่ะพลังพวกนั้นนะ่ะจะเข้ามาวิ่งราดอยู่ในกายเราแล้วทีนี้หนูก็รู้สึกว่าไม่ถึงเอ่อกรรมฐานที่หลวงพ่อให้หรือว่าแยกกายแยกสิ่งแยกแล้วมันก็ไม่คลายแล้วทีนี้หนูก็ระลึกถึงคุณของของหลวงพ่อกับท่าจารีนะฮะแล้วก็ฟังเสียงสวดอิติพิโส มันถึงได้ค่อยๆตายมันต้องระลึกถึงคุณของปราชญ์ได้ไดคิดถึงพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงทานของเราคิดถึงศีลของเราจเจริญเมตตาเยอะแยะเลยทำได้เยอะแย ะ, ะการที่ผีที่เปรดมาหาเรานะก็คือญาติมาเยี่ยมถ้าไม่มีความสัมพันธ์กันมา ก, ก่อนเขาไม่มาหาเราเสียเวลาไม่ไปเกลียดเขาไม่ไปกลัว แห่ส่วนบนส่วนบนส่วให้คนอื่นว่าคขอบพระคุณค่ะเดี๋ยว <Hey. S 2> ถามอีกอย่างนคะคะวัดหลวงท่อ uh huh. วัดหลวงพ่อไปเที่ยวได้ไหมคะไม่ได้เขาไปเรียนกรรมฐานไปแค่แว๊บๆอย่างเงี้ยไปดูว่าเราฟังซีวีตรงนั้นจุดนั้นเป็นอย่างไรแ น, น, นีได้ค่ะไปนะ่ะไม่มีใครว่าหรอกเนะขาไม่ได้ไปเที่ยวเขาไปเรียนกรรมฐานคขอบพระคุณค่ะไม่มีอะไรให้เที่ยวหรอก แต่วัดหลวงพ่อมีไก่ป่าเยอะนะตอนนี้ไก่ป่าเชื่องอ่ะไม่ได้ยินนะชอบแว่าปฏิเสธความรู้สึกตัวเองหรอก็ทุกข์สิมเครียดไปเครียดโกรธเออนะอย่าไปโกรมันสงสารมันไม่ใว่าดูสังเกตไปร่างกายเราเต็มไปด้วยความทุกข์สงสารมันอย่าไปเกลียดมัน สังเกตไหมจิตใจเราเนี่ยนะเต็มไปด้วยความทุกข์สงสารมันจะไปเกลียดมันจะเลยมเมตตาให้มันไหมเหมือนมันเป็นสัตว์หนึ่งเหมือนมันเป็นคนหนึ่งอ่ะเหมือนคนอื่นอ่ะคนอื่นที่มันมีความทุกข์่าไปโกรธมันจะไปเกลียด ม, มันนะนะหือเพราะมันถูกถูกถูกอ่ะตอไปมหา ส่งการบ้านหลวงพ่อครั้ก่อนเนี่ยนะคะหงพบอกว่าใจไม่ต้านทานจ้มัพูดอะไรมอ่านส่งการบ้านหลวงพ่อครั้ก่อนเนี่ยค่ะเนี่ยกมาอย่างนี้ไม่ไม่ใช่ยกอย่างนี้นะยอย่างนี้หลวงพ่อบอกว่าจิตใจไม่ไม่ถิ่ฐานอ่ะอืม สังเกตหรือเปล่าว่าคราวนี้กับคราวก่อนจิตไม่เหมือนกันก็ดีขึ้นสิอืมที่จิตไปเปลี่นรือสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นนะนะเป็นไปได้บ้างไหมคะมันก็เป็นบ้างแหละแต่อย่าคิดเอานะเอารู้สึกสก่อนรส ก็ <c oughs> เป็นบ้างแหละนะ <c oughs> เป็นบ้างไม่เป็นบ้างตั้งแต่โดนอาบายี่สองปีหกเดือนกว่าเนี่ยพอจะพ้นไปไหมคะยังไม่พ้นออก <c oughs> ต้องต่อหนาอีกนะ <c oughs> อบายพ้นยากนะ <c oughs> โอกาสที่จะอยู่สุขติอย่างที่พวกเราเป็นตอนนี้ <c oughs> มีไม่มากนะสัตว์ในอบายนี่เยอะ er มากเลย <c oughs> เราไปดูอ่าปลาฝูงหนึ่งนะตั้งเยอะใช่ไหมสัตว์เนี่ยเยอะกว่าคนตั้งเยอะสัตว์ในอบายเนี่ยเยอะแยะเลยการที่เราจะพ้นจากอบายนะนะต้องตั้งหน้าตั้งตารักษาศีลมัเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปถ้าใจพุ้ง้านนะให้รู้ทันเลย บริกรรมไปเรื่อยๆนะพุโทธโทธพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้ทันไม่แน่เนี้ยต้องให้ใจตั้งมั่นก่อนอย่าให้ใจมันกระจายกระจายไปไม่ได้มันฟุ้งซ่านก่อนจะไปเจริญปัญญาเนี้ยจิตต้องมีกำลังตั้งมั่นก่อนให้จิตมันรู้เนื้อรู้ตัวให้เต็มที่ก่อนนะเพราะจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวได้จะเห็นว่ากายกับจิตนั่งคนละอันกัน ความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นโคล่ากันปู่สนปู่สนกับจิตก็เป็นโคล่ากันเห็นอย่างนี้ไหมถ้าเห็นก็ใช้ได้นะแต่อย่าให้ใจออกนอกอเวลาโยมจมงทำสมาธิโยมเจริญสติในในสมาธิเพื่อเป็นการเจริญปัญญาค่ะน่าเป็นสมาธิย่างไหลไหลอยู่แต่ยังไม่ตั้งมัน่น ไม่ใช่กระดุกกดิกใช่ไหมกระดุกกดิกให้เยอะเลยก ร, กระดุกแล้วกระดิกแล้วรู้สึกตัวตกระดุกกดิกแล้วรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวให้ให้แน่นๆเลยโอ้ให้มัน่นคงกว่านี้นะไม่งั้นมันไม่มีพลังใจมัน อ, อ่ อ, อยๆเหลื่อยๆไปเรื่อยๆไม่ได้นะเอาพอแล้วให้คนอื่นบ้างนะฮะมันห่างแบบดีโลกอะ ให้มันรู้สึกตัวนะอย่าให้รเล่ไปงั้นไม่ได้นะรู้สึกรูๆๆๆๆๆๆๆ้สึกรู้สึกไว้อย่าให้มันกระจายกระจายไปกระจายกระจายไม่ดีเลยพยายามรู้สึกเอาไว้อ่าให้คนอื่นบ้างไปคนเชียงใหม่แต่และคนที่ถามยา ว, ยาว ให้กันบ้านเวลาที่มันสงบมันมีความสุขนะมันพอใจให้รู้ถังนะอย่าให้ติดสุขนะเีน๋ยวมันจะเพลินมีความสุขแล้วมันพอใจวันตะเกียร์ตอนส่งไม้ไปนะก็ดูสดใสขึ้นนะของโยมนะอย่อย่าให้ติดมันเป็นเครื่องนะอย่าให้มันเป็นติดสุขก็อือหงสืออย่างนั้นแหละ การับการรักษาแล้วครับพอครผมถามสองข้อสั้นครับก็คือข้อแรกนะครับคือผมเคยังสือเล่หนึ่งนะครับแล้วก็ย้อนมาดูที่ตัวเองนะครับแล้วปรกฏว่าก็คือเหมือนใจบอกตัวเองว่าคือควรจะพัฒนาจากความรู้สึกอันนี้ใช่ได้ใช่ไหมครับควรอะไรนะอพัฒนาตัวเองจากความรู้สึกนะครับมัททนทําทํำยังไงอ่ะสอนหลวง่อบ้างผมไม่แน่ใจครับก็เลยลพัฒนาจากความรู้สึกเนี่ยทําไงก็คือดูดูจากความรู้สึกไปเนี่ยได้ใช่ไหมออได้ เคยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเป็นอกุศลนอกุศลก็รู้ไม่ได้รู้เพื่อจะเอาความสุขไม่ได้รู้เพื่อเอาความดีไม่ได้รูอเอ้เพื่อเอาอะไรหรอกแต่รู้เพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวโรคหลนลงก็ชั่วคราวนะดูทุกอย่างไปเรืถ้าอย่างนั้นอะใช้ได้แล้วลูกพ่อครับก็คือเวลาที่ผมรู้สึกอะไรเนี่ยครับชอบลงไปขู่อารมเนี่ยฮะ ชอบอะไรนะลงไปขลุกนะครับเออยไปเข้าไปรวมกันก็เลยว่าไม่รู้ว่าผมทําผิดหรือทาถูกนะครับให้รู้ทันว่าจิตไหลเข้าไปรวมนะจิตกับอารมณ์ไปรวมกันให้รู้ทันมันก็แยกออกมาเองครับเลยขอกระตั้งหลวงพ่อด้วยครับนี่ไงให้เป็นรู้ทันเวลาจิตเป็นรวมจะอารมณ์นะมันก็แยกออกมาพอแยกออกมาแล้วคราวนี้ก็เห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูสบายๆครับนะจิตไม่ไหลตามมันไปครับผมกลับพิธีการมหลวงพ่อครับ เดือนที่เราไปส่งกันบ้านของพ่อครับของพ่อบอกว่าอย่าทิ้งร่างกายครับก็กลับมาพาวนาก็ดูร่างกายรู้สึกไปกนะครับก็ไปเห็นเห็นขันมันแยกอะครับใช่ครับได้เลยดีมันมันเหลือเหลือเลือตัวจิตนะไม่เห็ น, นไม่เป็นไรนะครับดูขันเดินไปก่อนครับจิตมันเป็นคนไปดูอย่าจงใจไปดูจิตนะครับ หลักของการดูจิตเลยห้ามจงใจไปดูจิตถ้าจงใจไปดูจิตจะกลายเป็นเพ่งจิตแล้วติดสมถะและเพ่งจิตในสมถแะ แ, แล้วแก้ยากด้วยแล้วคือเหมือนเหมือนสังเกตย้อนย้อนมันเนี่ยครับย้อนย้อนว่ามันเป็นตัวไปดูนยครับคือจะดูมันตรงๆไม่ได้นะครับมันจะค่อย ค, อยคอย่เด่นขึ้นมันจะค่อยค่อยเด่นแต่เราแค่อรู้สึกตัวอยู่นะเราเห็นกายมันแยกออกไปอยู่ต่หา เวทนาแยกออกไปไนดะ้มีคนหนึ่งเป็นคนดูอย่าไปจ้องใส่คนดูนะคแค่รู้สึกว่ามันมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่แค่นั้นพอละแล้วก็ค่อยๆสังเกตไปตัวดูเนี่ยเดี๋ยวก็หายไปกลาเป็นตัวคิดเดี๋ยตัวคิดหายไปมีตัวดูขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ถึ่จะเห็นส่รลัก์ของจิตก็คือไปกลับไปทาแบบนี้เดี๋ยวไกลไปเลยนะเดี๋ยจิตชัด ครูบาจัยก็ไปสอนนะดูกายแล้วเห็นจิตครับคือไปทําแล้วไปดูร่างกายแล้วมั น, ม, นมันไปเห็นจิตเองนะใช่ไหล่ามันเห็นถูก ต, ต้องที่ให้ดูกายเนะี่ยไม่ได้ให้ไปเพ่งกายถ้าเพ่งกายจะไม่เห็นจิตครับแต่ถ้าดูกายแล้วเห็นในร่างกายมันเคล่นไหวใจเป็นคนดูนะใจกายกับจิตมัไม่ค่อยแยกออกมาแล้วจิตจะตื่นขึ้นมาต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิตนะมันเห็นเองเลยครับแล้วมีมีอยู่ตอนเนี่ยเขาไปนั่งสมาธิแล้ว แล้วมันไอข้ามามันมันเห็นคอเป็นเป็นธาตุอะไรเงี้ยครับอะไรนะเห็นอะไรนะมันเห็นคอเป็นเป็นเป็นธาตุครับเป็นยังไงอะเป็นรูปอะครับเออเป็นคอเป็นธาตุครับเป็นธาตุ่อได้ยินไดเห็นคอเป็นธาตุเป็นรูปก็เป็นรูปเออครับคือก็สงแปลว่ากนกนะครับก็เวลาเวลาให้มันเห็นจิตนี่ก็จําจําเป็นต้องต้องให้มันเห็นแบบเดียวกันหรือเปล่าครับมันเห็นเองมันเห็นเองมันจะเห็นเลยว่า ความสุขความทุกข์กุศลอกุศลกรทั้งตัวจิตนะก็สักแต่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นเองครับเหมือนที่เห็นรูปเป็นสักแต่ว่าสภาวะธรรมอย่างหนึ่งนั่นแหละทําได้ดีอยู่ไปทำอีกนะดูกายไปแนละ้วจิตมันจะเด่นขึ้นมาครับขอบคุครับที่ไม่ดื้อ น, นะบุงคนบอกให้ดูว่าดื้อดไม่ยอมดูถ้าไม่ดื้อผมก็พอนา ง, ง่ายอ่าต่อไปขอบคุณครับ กับน้ำมันสกัดหลงพ่อครับพอาที่โยมเพิ่งปฏิบัติได้ไม่นานนะครับก็คือมันจะเจอสภาวะบางสภาวะที่อธิบายไม่ได้ก็คืออย่างเช่นว่าเออเราติดใจหรือเปล่าอย่างเวลาตอนขับรถตอนเวลาทำงานเนี่ยครับตัวเรามันจะนิ่งๆแล้วบางีความคิดมันแว๊บเข้ามาก็รู้ว่าคิดรู้ว่าร่างกายกําลังขยับอยู่อย่างนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับใช้ได้นะแต่ตรงที่ตัวรู้เนี่ยต้องระวังอย่ า, ยาให้แข็งเกินไปนะ ให้มันสบายๆเป็นตัวรู้ว่าเป็นตัวคิดบ้างก็เป็นตัวรู้คงที่ตลอดเลยแล้วก็ใจแข็งแข็งทื่อๆนะเห็นร่างกายกระตุกกระดิกเห็นอะไรต่ออะไรแต่ตัวนี้ทื่ออยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ดีตัวนี้ก็อยากให้แข็งเกิดไปให้เป็นตามธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติครับและอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนั่งสมาธิอยู่เนี่ยครับมันมีสภาวะหนึ่งคือเหมือนมันเป็นรวมกันนะครับอะไรไปรวมนะ เหมือนร่างกายมันเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันเป็นรููตรงนั้นรูตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเรไม่เป็นไรแนละ้วก็แค่เห็นแค่รู้จิตเจออย่าถลําตามไปอ๋อครับแล้วทีนี้คือมันเหมือนว่าเอ๊ะร่างกายเราทําไมมันหายใจเบาลงอะไรเงี้ยช่างมันมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุก็ให้อยู่ในสถานะแต่ต่อไปมันไม่อยู่นานเดี๋ยวมันก็กลับมาขอบขอบคุณหลวงพ่อครับ กราบน้ำมันสดาหลวงพ่อเจะค่ะไปส่งการบ้านเออดอนที่แล้วที่สวนสัจธรรม น, นะคะแล้วหลวงพ่อยืนยันว่าขันได้แตกแฝักระจายออกไปแล้วแต่การเพ่งนี่ยังมีอยู่จะค่ะอยากจะทราบว่าขันหนะ้าบางทีแยกออกไปนะกลับไปรวมอีกก็ได้นะคือถ้าจิตไม่ตั้งบ้านแล้วขันก็รวมเข้ามาอีกให้จิตมันไปรวมเข้ากับขัน แต่ถ้าจิตมีกําลังจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะันมันก็แยกออกไปใช่เจ้าคะเห็นว่าบางครั้งก็รู้สึกเป็นเป็นคนดูบางครั้งก็เป็ น, เ ป, นเป็นคนคิดเป็นคนหลงใช่ใช่แล้วบางครั้งก็เพ่งบางครั้งก็ไม่เพ่งเห็นความเป็นอัอนนิจจง อ, อนัตตาของมันนะเจ้าค ะ, ะ อ, อยากจะทราบว่าการเพ่งของโยมเนี่ยมันเบาไปบ้างหรือยังเจ้าคะ สังเกตตัวเองก็รู้นี่นะถ้าเพ่งแรงก็แน่นนะใช่เจ้าค่ะถ้ามันเพ่งน้อยลงก็เบาลงก็ง่ายๆ่าสงสัยว่าจะคงจะอจะเครียดเกินไปใช่ไหมจิงใจจริงจังเกินไปใช่ไหมทำเล่นๆทำเล่นๆแต่ขยันทำจริงจังนะเครียดกรรมฐานเครียดไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เครียดนะ แล้วเออเห็นสภาวะของการมีตัวตนนี่มันผลขึ้นมานะเจค่ะแล้วไม่เกิดแล้วก็ดับไปใช่เจ้าค่ะไม่ถาวรหรอกไม่ถาวรเจค่ะแล้วมีตัวอมานะที่คิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นอะไรจํําจาพวกนั้นนะคะผลขึ้นมาด้วยเจค่ะอยากจะทราบว่าโยโยมนี่เดินวิปัสสนาแล้วยังเจค่ะ แล้วมีอะไรติดข้องอยู่หรือเปล่าจะถามกังวลนะเรื่องติดอ่ะติดแน่ๆเลยติดทุกขั้นทุกตอนเป็นธรรมชาติถ้าไม่ติดเราก็หลุดพ้นแล้วนะยางมันก็ยังรักกายเห็นไหมมันก็ยังรักอยู่มันก็ยังรักความรู้สึกรักจิตรักใจรักดีอะไรเงี้ยมันก็ยังมีความผูกพันอยู่แล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจรได้ไปมันก็คลายความรักไปอี ใช่จค่ะเห็นว่าไอ้จิตนี่มันมันมันรักกายมากนะคะรักผรักร้อนก็ไม่ได้ใช่หนาวก็ไม่ได้ยุ่งกัดก็ไม่ได้นั่นแหละให้คอยรู้ทันนะดูไปด้วยกายก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษแต่เห็นแจ้งแล้วมันคลายความรักออกก็เห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนักมันมีรู้สึกของความเบื่อหน่ายขึ้นมาเหมือนกันนะเจค่ะมันเป็นกล่าวๆ เป็นเผืเ่อบ้างชอบบ้างไ ม, ไม่ไม่ทราบวระโยมมีมีสติอัตโนมัติหรื อ, อยังเจคะไม่ก็มีอยู่นะแต่สติมันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีไม่ไม่ต้องกังวลหรอกสติสมาธิปัญญาอะไรนี่เป็นโลกิยะทั้งนั้นหลยอาศัยมันเท่านั้นอยากจะให้หลวงพ่อช่วยช่วยให้การบ้านด้วยเจค่ะก็ไปทาต่อนะ นี่ฝึกหรือใช้ได้หยุดเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะค่ะค่ะครบทั้งสิบสองท่านแล้วนะคะกราบขอพระคุณหลวงพอ่อเป็นอย่างสูงออครึ่งพอดีเลยคร <c oughs> ับขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบูนมือน้อมกายวาจาใจา อ, ยอยู่ในความสงบเดี๋ยวเราจะได้กล่าวทําถวายและถวายเป็นพระราชนิพนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกรุณากล่าวน้โมสามจบพร้อมกันครับ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 อิมานิมะยังพันเตกัปยพันดานิสัพปริวารานิพิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกุสังโคอิมานิกัปยพันดาน้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 พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับจงรับซึ่งกับปิยพันธ์ซึ่งกับปิยพันธ์พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย บุญกุศลจากการฟังธรรมทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาในครั้งนี้ข้าพาเจ้าทั้งหลา ย, ยบบาขอน้อมถวายาเป็นพระราชกุลศลแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภู ม, ม, มิพลอดุญ เ, เดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประดุดฉัดแก้วของปวงชนชาวไทยขอจงทรงพระเกษมสำราญมีพระพลรานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใยของปวงชนชาวไทย ตลอดกาลและนานเทินยะถาวาริวะาปุราปริปุเรนตีสาพลังเอวามวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปติตังทุมหังคิปเะเมวะสมิะตุสัพเพปุเรนตตสังกป า, าจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา สัพพิตโยวิวัชชนตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคาโยโกภวาภิวาธนาสีลิสนิจังุทาปัจจายิโนจัตารโธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังัะลังสาธุ